นะโมตัสสะภะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะวะตหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทธูภะวติ อิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัตโสภาญายะมันเตหิสกะจังโสตะุติณ โ, โอกาสนี้จะได้แสดงธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อประดับสติปัญญาของท่านพุทธศาส น, นิกชนซึ่งวันนี้บรรดาจิตยานุสิกได้มาพร้อมใจกันประกอบกองการกุศลทำบุญฉลองอายุหรือคล้ายวันเกิดของเจ้าพระคุณ ประเดชพระคุณเจ้าพระคุณเทพโมรีเส่งเป็นอุปชาอาจารย์ของบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนให้ความอบอุ่นแก่บรรดาศิทยานุสิตและอุบาจกอุบาจิกา ผูมีความเคารพเลื่อมใสในฐานะที่พระเดชพระคุณท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านก็เป็นบุรพาอาจารย์ของเราองค์หนึ่งมันดาพวกเราสิทธยานุสิตเสึ่งมาลำลึกถึงกุณูประการที่ท่านมีต่อเรา เราเอาใจใส่อุปธรรมประถากบำรุงพระภิกษุสามเณรนวะกะกอถวายการทำกิจวัตรมีอุปธรรมประถากถวายนา้ำบูษสีพันเป็นต้นอันเป็นกิจของสงฆ์ตามขันทวัตที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้ว <c oughs> ผู้ที่เป็นอุปชาอาจารย์ก็มีนาทีอบรมสั่งสอนสงเคราะห์ด้วยปัจจัยสี่ลูกศิษย์ที่มีความจงรักภักดีก็ต้องเอาใจใส่อุ ป, รรปถัมภ์ปถาวรมุงท่านซึ่งเป็นจิตทุลนาที่โดยตรงสำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ ในสายแห่งสำนักปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากเจ้าพระคุณบาลีคุณูปมาจารย์ิิจันโธจันหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นท่านพอ่อลีและครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็ได้อบรมสั่งสอนกันมาอย่างนั้น ซึ่งเป็นหลักพระวินัยที่จะพึงประพฤติการอุปถัมบำรุงครูบาอาจารย์หรือการแสดงความเคารพต่อพระภิกษุผู้อาวุโสเป็นหน้าที่ของพระนวา ก, กะทางนี้ทั้งนั้นเพื่อเป็นอุบายข่มทิฐิมานะ เราแสดงตนว่าเป็นสิทจยานุสิทธิ์ของครูบาอาจารย์อย่างแท้จริงเป็นการปฏิบัติทีปฏิบัติชอบต่อกันเป็นสุปฏิปันโนเป็นคุณธรรมหรือเป็นข้อวัดปฏิบัติเพื่อผูกจิตผูกใจให้ครูบาอาจารย์เกิดเมตตาสงสารหรือเมตตาปลาณีต่อสิทธยานุสิทธิ์ เศรษฐานุจิตปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ก็เพื่อคมทิฐิมานะของตนให้มีความเคารพยำเกรงเชื่อฟังในโอวาทคำสั่งสอนซึ่งครูบาอาจารย์แนะนำพล่ำสอนด้วยความเมตตาคือสอนให้ละสิ่งที่ทั่วประพฤติสิ่งที่ดีแต่ทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาด อันนี้เป็นจารีตประเพณีของพระทุดงกรรมฐานได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคว า, ามเคารพซึ่งควรจะมีต่อครูบาอาจารย์นั้นเท่าที่เคยได้สมาครพาสมาคมกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่ท่านอาจารย์เสาเป็นลำดับลงมาจนกระทั่งครูบาอาจารย์ในปัจจุบันนี้ ท่านเือพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้อาวุโสเป็นผู้สั่งสอนธรรมแก่คุณละบุยกย่องไว้ในฐานที่เคารพ บ, บูชาอย่างสูงสุดลองลองจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายดังนั้นในเวลาที่อยู่ร่วมกันในสำนักเดียวกันนาที่การแสดงธรรม หรือการสอนรมเป็นหน้าที่ของพระเถระผู้เป็นหัวหน้าพระเถระรองๆองลองมาจะอบรมธรรมสอนได้ก็ต่อเมื่อพระเถระผู้ที่เป็นหัวหน้าได้สั่งบัญชาหรืออนุญาตให้แสดงอันนี้เป็นจารีตประเพณีของพระธุดงกรรมฐาน ดังนั้นกรรมฐานในสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้มียึดหลักการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือสํารวมในศีลลลกศิษนักปฏิบัติต้องสํารวมในศีลเริ่มตั้งแต่ศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองยี 10, ส่สบเจ็ดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศีลห้า น, นั้นเป็นแม่บท ของศีลทั้งหลายทั้งปวงศีลห้าเป็นบทปัญญัติที่พระพุทธเจ้ารู้ตามกฎของธรรมชาติว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เทนปานาติบาห่าสัตว์อตินาทานลักรั์กาเมสสมิชฉาจาร์ประพฤติผิดในก า, มม า, าโมสาบาตโกหกหลอกลวงสุราดื่มน้ำดองของเมา อันนี้เป็นบัญญัติซึ่งเกิดโดยอาศัยกฎของธรรมชาติศีลรห้าประการนี้ใครทำลงไปแล้วเป็นบาปทันทีไม่เลือกนาไม่มีอคติลำเอียงคนนับถือศาสนาพุทธธรรมก็บาปคนไม่มีศาสนาธรรมก็บาปคนนับถือศาสนาอื่นที่เขาเชื่อไหวไม่ว่าไม่บาปทำลงไปแล้วก็บาป เพราะมันเป็นบาปตามกฎของธรรมชาติเพราะพูะุทธเจ้าไม่ได้แต่งตั้งบาปที่จะมาลงโทษผู้ประพฤติผิดศีลห้าอย่างดีพระองค์เพียงแค่รู้รู้ข้อเท็จจริงของการละเมิดศีลห้าว่าเป็นบาปประการใดเท่านั้นในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วพระองค์ก็ยึดเอาเป็นหลักคาสอน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้แต่พระพิสูจน์สสามเดนจะไปมองข้ามไม่ได้ปานาจิบาตการฆ่าสัตว์อธินากามเมมุสาสุราเป็นคุณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เราจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ <c oughs> ในเมื่อประเพลศล่วงเกินขาดไปตัวใดตัวหนึ่งถ้าขาดตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดลงไปเหลือแปดสิบขาดสองตัวเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดลงไปเหลือเพียงหกสิบขาดสามตัวเปอร์เซ็นต์แห่งมนุษย์ลดลงไปหกสิบยังเหลือเพียงแค่สี่สิบ ว่าขาดหมดทุกตัวเปอร์เซนต์แห่งความเป็นมนุษย์นั้นหมดสิ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นกายกายและใจของมนุษย์ก็ไม่คู่ควรแก่คุณงามความดีคือมรรคผลนิพพานดังนั้นผู้ที่จะลองรับคุณธรรมเบื้องสูงคือมรรคผลนิพพานได้ต้องรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดจึงจะลองรับคุณธรรมดังกล่าวนั้นได้ ถ้าพราท่านผู้ฟังจะถามว่าการรักษาศีลห้านี่เพื่อประโยชน์อะไรเราก็จะได้เราก็จะได้คำตอบว่าการรักษาศีลห้าเพื่อเป็นคุ ณ, ณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันรักษาศีลห้าเพื่อตัดทอนผลเพิ่มของบาป อย่างสมมติว่าวันนี้ญาติโยมบางท่านอาจจะไม่เคยสมทานศีลห้า <c oughs> แต่เมื่อมาสมทานศีลห้าแล้วถ้ายึดปฏิบัติต่อไปโดยไม่ลดละผลบาปกรรมที่มีมาเมื่อก่อนก็ยุติอยู่เพียงแค่นั้นไม่เพิ่มเพราะเราไม่ได้ล่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งดังนั้นศีลห้าจึงเป็นคุ ณ, ณธรรมกัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรม และเซนห้าเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำลังของกิเลสให้ลดน้อยลงไปหรือหมดไปจริงๆครูบาอาจารย์สอนเราแม่ในคำพีพระไตรปิฎกก็สอนว่าให้ละกิเลสโลภโกรธหลงทีนี้เมื่อเรามาพิจารณาดูกันให้ดี เราจะละได้ไง่ายๆหรือกิเลสโลภโกรธหลงที่มีอยู่ในใจของเรานั่นไม่ใช่สิ่งที่จะไปละเอาละเอาเหมือนอย่างร่างกายบรนสกบปลกด้วยที่โคลนได้ไปอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการบัณฑทอนกำลังของมันลงไปทีละน้อยละน้อยโอบายบัณฑทอนกำลังก็ให้ยึดมั่นในศีลห้า ปฏิบัติศีลห้าให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วกาลังของกิเลสมันจะลดน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหมดไปเองกิเลสเท่าที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้นมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษไฟมีโทษอย่างมหันคุณก็อนันต์เหมือนกันกิเลสรลบโปรดหลงที่มีอยู่ในใจของเรา ก็มีคุณมหันโทษอ น, นันต์เช่นเดียวกันผู้ที่มีความฉลาดย่อมสามารถใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมสิ่งโดยปกติสิ่งที่มนุษย์ในโลกนี้จะพึงประสงค์ก็มีกันอยู่เพียงห้าอย่างคือความมีลากความมียศสรรเสริญความสุขและอำนาจ ถ้าอย่างนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสแสวงหาแต่ว่าการสแสวงหาควรจะมีขอบเิดเพราะฉะนั้นกิเลสนี่มันมีอยู่ในจิตในใจเราลองพิจารณาดูสิว่าเราจะอาศัยพลังของมันให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ในทางที่ดีได้บ้างไหม ดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูจิตของเราว่าเรามีกิเลสโลภโลกรธหลงหรือไม่ถ้าเราทราบแล้วว่าเรามีเราก็ยอมรับสภาพความจริงว่าเรามีเมื่อรู้ว่าเรามีแล้วเราก็เราก็อาศัยกําลังของกิเลสนั่นเลย เป็นเครื่องกระตุน้นเตือนใจให้เกิดความทเยอทายานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นโลกอยากได้คุณธรรมเอาความโลภ ก, กระตุน้นเตือนใจให้เกิดความทเยอทยานให้ไหวพระสวดพนมากๆเดินจงกรมนานๆานนั่งสมาธินานนานพิจารณาธรรมะให้รู้แจ้งแทงตลอดตามวามเป็นจริง อาศัยพลังของความโลภเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเนี้อกิเลสบรรดาิเลสทั้งหลายเนี่ยในเมอ่อพูดถึงกิเลสแล้วเราว่ามันชัว่วมันเช่ามองมันไม่ดีแต่ความจริงนั้นเราจะได้ดีดดเพราะกําลังของกิเลสมันกระตุน้นเราอยากได้มรรคผลนิพพานก็เพราะอาศัยความโลภนั่นแหละเป็นเครื่องกระตุน้น แต่ว่าเราในเมื่อเราถูกกิเลสกระตุ้นแล้วเราก็ต้องประพฤติให้มันผูกต้องแม้ว่าเราจะทำอะไรด้วยความโลภมากมายสักเพียงใดก็ตามแต่หากไม่ผิดศีลห้าข้ออธินาทานบาปไม่มีเพราะหลักฐานที่พระพุทธเจ้าทรงเทศเอาไว้ว่าใครประสงค์แปลใครต้องการประโยชน์ในปัจจุบัน ต้องอาศัยหลักธรรมสี่ข้อเป็นเครื่องปฏิบัติคือหนึ่งอุทธธานะสัมปทาจงมันขยันในการทำงานเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์ในคนไม่โลภจะมันขยันได้หรือต้องเป็นคนโลภจึงมันจึงมันจึงขยันแล้วพระองค์ก็สอนให้รักษาผลประโยชน์ซึ่งเรียกว่าอารักษาสัมปทา โลยจากรักษาผลประโยชน์ไม่ให้เสื่อมโดยไม่จำเป็นกัญยาณมิตรตาให้สร้างความดีกับเพื่อนบ้านในเมื่อเรามีความพร้อมได้ทรัพย์สมบัติหลายอำนาจอาศัยทรัพย์สมบัติหลายอำนาจนั้นๆเป็นเครื่องมือสร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขารักอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ไดีให้เขาเกลียดมันอยู่ในสังคมยาก แล้วข้อต่อไปพระองค์ให้เลี้ยงชีวิตตนและครอบครัวทนบริวารให้มีความสุขสบายพอสมควรไม่มากนักไม่น้อยนัก <c oughs> <c oughs> นี่เป็นหลักที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดังนั้นคนที่มีความหมั่นความขยันแม่ขยันสแสวงหาทรัพย์สมบัติอันเป็นเรื่องของโลกโลกก็าตาม ผู้ ท, ที่มีความทะเยอทยานบั่นขยันในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพิจรารณาธรรมก็ตามข้ออาศัยพลังแห่งความโลภกคอความอยากนั้นเองเป็นเครื่องกระ ต, ตุ้นเตือนดังนั้นกิเลสบรรดาที่มีอยู่ถ้าเราใชใ้ให้มันเกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโดยไม่ให้ผิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเข้าใจว่าไม่มีบาปกรรม และพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงตำหนิด้วยเพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้จึงเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมและประการสำคัญที่สุดก็เป็นคุ ณ, ณธรรมปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ประการสุดท้ายเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย เพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษย์ชนปานาจิบาทเคารพสิทธิในการดำรงชีพอยู่ของคนอื่นและสัตว์อื่นอธินาธานาอธินาทานเคารพสิทธใิในการครอบครองทรัพย์สมบัติกาเมสุมิฉาจาร์ก็เคารพสิทธิในคู่ครองในบุคคลผู้ห่วงห้าม เพราะฉะนั้นศีลห้าประการนี้เมื่อประยุกต์กับการปกครองบ้านเมืองจะกลายเป็นมูลฐานให้เกิดระบอบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตยอันนี้คือผลประโยชน์ของศีลห้าที่เพพึงได้รับในปัจจุบันที่เรามองเห็นได้ไง่ายๆทีนี้บางทีบางท่านอาจจะมีความสงสัยข้องใจว่า เราไม่สามารถเราไม่มีเวลาที่จะไปะบวชในศาสนาโดยเป็นพระเป็นเนนเป็นแม่ขาวนังชีเราจะรักษาแต่เพียงแค่ศีลห้าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงมรรคผลนิพพานได้หรือไม่คำตอบก็มีนางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นตัวอย่างท่านอนาถาบินดิกามหาเศรษฐีเป็นตัวอย่างท่านเหล่านั้น ก็เป็นครือข่าครองเรือนมีครอบมีครัวเหมือนอย่างเราเราท่านท่นแต่ท่านยึดมั่นในศีลห้าประการแล้วปฏิบัติก็ได้สําเร็จประสูดาบันเป็นพระอริยบุคคลทั้งทั้งที่ยังมีเครื่องแต่งตัวขาวๆแดงๆอยู่อย่างเราธรรมดาเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้บวชในพระพุทธศาสนาถ้าตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงจัง มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดเอาไว้สําหรับนักบวชโดยตรงแม้แต่ฆฤหัตผู้ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบก็สามารถได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันอันนี้เพื่อแก้ข้อข้องใจเพราะว่ามีใครต่อใครเข้ามาถามหรืออาจจะเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้บวชรักษาศีลห้านี่มันไม่ใช่มันไม่ถึงมรรคผลนิพพานบางท่านก็เข้าใจเช่นนั้น เพราะฉะนั้นขอได้โปรดทำความเข้าใจว่าเครือหัสมั่นคงในศีลห้าแล้วเจริญสมาธิภาวนาก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกัน <c oughs> ทีนี้ในเมื่อเรามาในเมื่อพูดถึงเรื่องของศีลการรักษาศีลแล้วก็ควรจะได้พูดถึงเรื่องการฝึกการทำสมาธิ การฝึกฝนอบรมสมาธิที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมาในสายของท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่น <c oughs> ท่านเลิเย็ดหลักการภาวนาพธโธกับอนาปานุสติเป็นหลักดังนั้นคณะครูบาอาจารย์กรรมฐานทั้งหลายจึงลงมติ ให้เจ้าพระคุณพระอาจารย์สิงห์เรียบเรียงหนังสือเล็กๆเล่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นคู่มือแห่งการปฏิบัติซึ่งเรียกว่าพระไตรสรณคมย่ออันนี้เป็นมติของครูบาอาจารย์ท่านเห็นพร้อมกันว่าให้ท่านอาจารย์สิงห์เนี่ยเรียบเรียงหลักการปฏิบัติภาวนาพุโทโธขึ้นสักเล่มหนึ่ง ทีนี่เหตุผลในการที่เราจะมาภาวนาพุโทโธเนี่ย <c oughs> ก็เพราะเหตุว่ามันใกล้กับความจริงพุโทโธแปลว่าผู้รู้พุโทโธแปลว่าผู้ตื่นพุโทโธแปลว่าผู้เบิกบาน <c oughs> เป็นกิริยาของจิต <c oughs> ในเมื่อพู้มาภาวนาพุทโธพุทโธในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตจะบรรลุถึงสภาวะสงบมีพปรตมีความสุขมีความสวาม่างแล้วสภาวะจิตจะถึงซึ่งความรู้ซึ่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำภาวนาพุทโธหายไป ในตอนแรกๆเราอาจจะภาวนาพธโธพธโธพธโธพธโธเอาไว้ก่อนทีนี้พอจิตสงบลงไปแล้วนิ่งรู้ตื่นเบิกบานสว่างสวัยคำว่าพธโธหายไปจิตไม่ได้ภาวนาพธโทโธอีกแล้วทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะเหตุว่าในตอนแรกเราภาวนาพธิโทพูโทิพโโพธิ์โธจิตของเรายังไม่เห็นพธิโทในเมื่อเรายังไม่เห็นพธิโทรเราก็ต้องเรียกร้องหาทีนี้เมื่อจิตสงบปุ๊บลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานนั่นพธิโทเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วจิตเขาก็หยุดเรียกพธิโทเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้บางทีบางท่าน ก็ให้คําแนะนําว่าในเมื่อภาวนาโพธิโธพธิโธพุโิพโธก็จิตจุดพธิโธไปนิ่งว่างอยู่พอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ให้นึกถึงพธิโธอีกนี่ท่านสอนกันอย่างนี้แต่ในหลักพระไตรสารณคมย่อนั้นท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นเมื่อเราภาวนาพโพธิโธพธิโธพธิโธจิตสงบนิ่งลงไปนิดหน่อย โยดภาวนาพโธนิ่งว่างอยู่เฉยๆหลวงปู่สิงห์ท่านให้กาหนดรู้จิตตรงที่ว่างให้จิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนผ่านอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยท่านสอนอย่างนี้ แต่มาในปัจจุบันนี้นักภาวนาทั้งหลายพากันกลัวกลัวคำพูดที่เขาว่าภาวนาพโพธทจิตไม่ถึงวิปัสนาได้แต่สมถะท่านนักปฏิบัติทั้งหลายลองพิจารณาดูสิจริงหรือเปล่าอาตมะว่าไม่จริง พละในบางครั้งนึกขี้เกียจขึ้นมาวันนี้จะภาวนาพธิ์โพธโ์ พ, โพอจิตสงบสบายแล้วก็พอละแต่เมื่อภาวนาพโพธิ์ลงไปแล้วจิตสงบสว่างลงไปแล้วไอ้เจ้าจิตนี่มันไม่นิ่งสบายอยู่อย่างอย่างที่คิดมันกลับไปเกิดความรู้ผุดขึ้นมาโพธิ์โพพธพธขึ้นมาอย่างกระนามพุ นี่ในจุดนี้เป็นเรื่องสำคัญท่านพุทธบริษัททั้งหลายบางทีเราอาจจะภาวนาอันใดก็ได้หรือพุโทโธก็ได้ <c oughs> ในเมื่อภาวนาลงไปแล้วจิตของเราสงบนิ่งสบายดีบางทีก็สงบเป็นอุปจาระสมาธิเฉียดเฉียดเข้าไป อุปจารสมาธินี่จิตสงบแล้วกายยังปรากฏอยู่แล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งเคยจิตโอยู่ที่จิตหรือโลอยู่ที่อารมณ์จิตในขณะนั้นทีนี้ในเมื่อเราภาวนาไปจิตมันสงบละเอียดลงไปเข้าสู่อัปปนาสมาธิ รสึกว่าร่างกายตัวตนนี่หายไปหมดไม่มีเหลืออยู่มีแต่เจตดวงเดียวใสสว่างลอยเด่นอยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่มีที่หมายจะว่าเบื้องต่ําก็ไม่ใช่เบื้องสูงก็ไม่ใช่เบื้องข้างซ้ายข้างขวาก็ไม่ใช่มันมีแต่เจตดวงเดียวสว่างสวัยโปรง่งลอยเด่นอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ทีนี้พอภาวนาหนักๆเข้าจิตมันดําเนินไปสู่ความสงบบ่อยเข้าบ่อยเข้าแล้วมาภายหลังนี่บางทีเราอาจจะนึกภาวนาพธท์พโพธิโธเพียงสองสามคำเท่านั้นจิตมันก็สงบผู้ว่าลงไปพอนิ่งสว่างแล้วความรู้ความคิดมันจะเกิดขึ้นมาโพดโพดพดขึ้นมาอย่างกับน้ําพุ นี่ตอนนี้อย่าเข้าใจผิดนะเจตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานร่างกายยังปรากฏอยู่แล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาโพดพู ด, พดขึ้นมามตสจิสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ในขณะที่จิตคิด บางท่านไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านสมาธิตแตกนั่นเข้าใจผิดเมื่อเราภาวนาจิตสงบลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานแต่กายยังปรากฏอยู่ลมหายใจก็ยังอยู่แล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาฟุ้งฟุงฟุงฟ้งขึ้นมาถ้ามันเป็นในลักษณะอย่างนี้ นักปฏิบัติควรจะปล่อยให้มันคิดไปตามอาเภอใจของมันนี่จุดนี้แหละซึ่งเรียกว่าจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาเวปัสนาก็คือความคิดปัญญาก็คือความคิดความคิดอันใดที่เกิดขึ้นมาแล้วมีสติรู้พร้อมอยู่เรียกว่าปัญญาในสมาธิ ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจผิดปล่อยให้จิตตรงนี้เขาคิดไปคิดไปคิดไปโดยความทำความรู้สึกในทีว่าเธอจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูเธอเธอจะคิดเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอกุศลปล่อยไปเลยอย่าไปห้ามแต่ว่าให้มีสติกาหนดตามรู้ไป เขาจะคิดไปเนื้อไปใตเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลอกุศลอะไรต่างๆซึ่งสุดแท้แต่เขาจะคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปเลยอย่าไปเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านทีนี้ถ้าเราปล่อยให้คิดไปคิดไปเราจะรู้สึกเพลิดเพลินในความคิดของตัวเองแล้วจะเกิดมีอาการกายเบาจิตเบา กายสงบจิตสงบกายเบากายสงบก็ได้กายวิเวกจิตเบาจิตสงบก็ได้จิตตาวิเวกในเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิก็ได้อุปธิวิเวกเพราะสมาธิจิตเป็นกลางไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีอาการของกิเลสเกิดขึ้นจึงได้ชื่อว่าได้อุปทิวิเวก ทีนี้ถ้าพวกเราไม่ไปขาดขวางปล่อยให้เขาคิดไป <c oughs> ความคิดติ่คิดขึ้นมาเองนั่นเป็นวิตกสถีที่โูภพร้อมอยู่เป็นวิจารแล้วก็เกิดปีติสุขเอกับขตาจิตกำหนดรู้ความคิดที่เกิดดับอยู่โดยอัตโนมัติ ปราศจากสัญญาเจตนาใดๆที่เราจะไปตั้งอกตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เจตเขาคิดไปเองโดยอัตโนมัติคิดทั้งขนาดที่ว่าเราลังไม่อยู่ถ้าเขินไปขาดขวางเราเกิดปวดหัวมัวเกล้าขึ้นมาทันทีเพราะไปฝืนธรรมชาติของสมาธิและปัญญาที่เกิดขึ้นมาเอง ขอให้นึกถึงโอวาทของลงปู่เสาที่ว่าเวลานี้เจ็ดข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดเมื่อไปถามท่านจริงๆท่านก็ให้คำตอบว่าถ้าหากมันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าท่านว่าอย่างนี้ทีนี้เราลองมาพิจารณาถึงหลักหลักไตรสิกขา ศีลสมาธิปัญญาศีลปริภาวิตโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังสูเป็นต้นศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตในหลักมีอยู่เนี่ยในเมื่อศีลบริสุทธิสะอาดบำเพ็นสมาธิสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธิ ในเมื่อสมาธิมีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยความคิดอ่านที่เกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะมีสติรู้พร้อมอยู่นี่ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายพึ่งทำความเข้าใจในตอนนี้ให้ชัดเจนแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆ เ, เราจะรู้เอง <c oughs> ทีนี้ในเมื่อเราปล่อยให้จิตของเราคิดไปตามอําเภอใจพอคิดไปคิดไปก็รู้สึกเพิดเพลินไปกับความคิดแล้วปีติและความสุกขก็บางเกิดขึ้นในเมื่อปีติสุขบางเกิดขึ้นความคิดยิ่งเพิ่มความเร็วขึ้นเป็นทวีคูณบางทีแทบจะกําหนดดูไม่ทัน แต่จะด้วยประการใดก็ตามในช่วงนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะดูจะรู้จะเห็นอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติเขาจะรู้เขาก็รู้เองเขาจะเห็นเขาก็เห็นเองเขาจะตัดสินอะไรของเขาเขาก็ตัดสินของเขาเองทีนี้พอคิดไปสุดช่วงแล้วพอเจตจุดกึกดลงไป ไปสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเป็นสมถะอย่างเคยทีนี้พอเจตไปยับยั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วถอนออกมาพอมารู้สึกว่ามีกายเท่านั้นเองเจดตดวงนี้จะมาพิจารณาทบทวนสิ่งที่เป็นอยู่ในสมาธิอันละเอียดนั้น แล้วจะได้ความรู้ขึ้นมาว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดเป็นสภาวะเป็นเครื่องหมายให้เรากำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ความคิดนี่แหละเป็นสภาวะที่มายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์ทำให้เกิดความยินดีทำให้เกิดความยินร้ายอิทธาลมอนิธาลมความยินดีก็กามตันหาความยินร้ายก็วิภาวะตันหาในเมื่อจิตไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็กลายเป็นภวะตันหาก็มองเห็นตัวกิเลสได้ชัดเจน ทีนี้เมื่อมองเห็นตัวกิเลสได้ชัดเจนแล้วในเมจิดตดวงนี้มีกามาตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาอยู่พร้อมความสุขความทุกข์ก็ย่อมบังเกิดขึ้นสลับกันไปผู้มีสติสัมปชัญญะสามารถกําหนดโลสุขและทุกข์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสลับกันไปอยู่อย่างนั้นในที่สุด ในเมื่อสติปัญญาแก่กล้าก็จะมองเห็นและรู้ว่าโลทุกอย่างชัดแจ้งว่านี่คือทุกอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อโลแล้วว่านี่คือทุกขแล้วจิตตรงนี้เขาจะสาวหาเหตุของเขาเองว่าทุกข์นี่มันเกิดมาจากไหน แล้วก็จะรู้ต่อไปว่าทุกนี้มันเกิดมาเพราะตัณหากามตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหาแล้วจิตตรงนี้ก็จะกำหนดรู้ทุกต่อไปเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็ง ข, ขึ้นกลายเป็นปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเกิดเป็นตัววิ ช, ชา ก็จะรู้ว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปไม่หยุดยั้งนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วก็จะเกิดฌานอย่างรู้ว่า ยังกินกิสมุทะยธรร ม, มังสัพพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะรู้อริย ส, สัจสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักในขณะจิตเดียวเท่านั้นนี่ถ้าเราปล่อยให้จิตของเราเป็นไปตามที่ ตามพลังของสมาธิและสติปัญญาโดยเราไม่บังคับหรือไม่ไปรบกวนเขาหน้าที่ของเราเพียงแค่ว่าทำสติกำหนดตามรู้ไปเท่านั้นแล้วเราจะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจิตที่มีความคิดเกิดขึ้นมาเองจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ แต่มีสติสัมปชัญญะกำหนดตามรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือจิตเดินวิปัสสนาเพราะความคิดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปนั้นเป็นเครื่องหมายให้จิตสามารถกำหนดรู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นในขณะใดาที่จิตนิ่งอยู่ว่างๆไม่มีความรู้ความคิดอ่านเกิดขึ้น ท่านเรียกว่าเป็นสมถะเป็นสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดความรู้และเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแม้จะเป็นสมาธิในฌานสมาบัติแต่ก็เป็นฐานสร้างพลังจิตให้มีความมั่นคงและให้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ <c oughs> เพรานะฉะนั้นนักภาวนาแม้ว่าจิตของเราจะไปสงบนิ่งอยู่เฉยๆก็อย่าไปตก อ, อกตกใจอย่าไปกลัวว่าจิตมันจะไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัจสนาแม้ว่าเรานั่งสมาธิทีไรมันก็นิ่งทีไรมันก็นิ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่มีความรู้ นี้ถ้าจะฝึกให้มันมีความรู้เมื่อจิตออกจากสมาธิมาแล้วเรื่องของชีวิตประจาวันคือการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดให้มีสติกำหนดตามรู้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นอุบายวิธีที่ทำจิตให้เจริญก้าวหน้าในทางสติปัญญาแม้ว่าในสมาธิเราอาจจะไม่มีความรู้ก็าตาม แต่อย่าไปถือว่าสมาธิเราต้องทําเฉพาะในขนาดที่นั่งหลับตาบริกรรมภาวนาเท่านั้นถ้าเราเข้าใจว่าเพียงแค่นั้นมันก็อยู่เพียงแค่นั้นแต่ถ้าเราเข้าใจว่าเราทําสมาธิได้ทุกกิริยาบทยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทําพูดคิดเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งโูภของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติ ในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมันก็เป็นการเจริญสมาธิสมถะาาและวิปัสสนาไปในตัวในเมื่อเจตของเราเข้าไปสู่สมาธิส่วนละเอียดที่เรามาฝึกสติให้มันรู้อยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันในปัจจุบันเนีย่ย มันจะเป็นพลังเข้าไปหนุนจิตในเมื่อเข้าสมาธิแล้วบันดาลให้เกิดความคิดและความรู้แล้วจิตก็จะได้เดินวิปัสสนาไปนี่ขอให้ท่านทั้งหลายพึงสังเกตตูให้ดีอันนี้เป็นหลักของการภาวนาพุโทโธตามแบบพระไตรสรณคมย่อที่นี่สำหรับวัดอโศการามนี่ ได้ทราบท่านพ่อรีท่านยึดหลักอนาปานุสติเป็นเรื่องสำคัญบางทีท่านก็สอนให้ภาวนาพุทรพร้อมลมเข้าโทรพร้อมลมออกบางทีท่านก็สอนให้กำหนดรูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ให้สูดลมเข้านับหนึ่งปล่อยลมออกนับสอง แล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ถอยลงมาเก้าสิบแปดเก้าปดสิบเก้าแปดเจ็ดหห้าสี่สามสองหนึ่งสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้นี่เท่าที่ได้อ่านตำราของท่านท่านสอนไ้อย่างนั้นก็เป็นการถูกต้องแล้วเป็นการถูกต้องที่สุดอนาปานุจตินี่เป็นการถูกต้องที่สุด ซึ่งเรามาสังเกตดูนักปฏิบัติในสมัยปัจจุบันนี้เรามาขัดกันอยู่เพียงแค่วิธีการเท่านั้นแหละผู้ภาวนาโพโธก็บ่ะของตัวดีส ป, ปารหังก็บ่ะของตัวดีวิเศษโยบหนอพองหนอก็บ่กของตัวดีวิเศษบางทีมาเจอกันเข้าเกิดขัดแย้งกันเถียงกันไม่ตกลงเป็นเหตุให้เกิดทะเละวิวาทกัน ในเมื่ออาจารย์ผู้สอนเกิดทะเลาะวิวาทกันลูกจิตลูกขาก็แตกแย ก, กออกเป็นพักเป็นพวกรวมกันไม่ติด <c oughs> ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามาสอนชาวพุทธเรามาสอนธรรมะแล้วทําให้คนแตกสามัคคีกันเนี่ยมันจะไม่ผิดหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเพระาะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้คนเรารับกัน หลักฐานมีที่ไหนหลักฐานก็ศีลห้าข้อนั่นเองพ่อขึ้นต้นสู้เจ้าอย่าฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าคมเพงกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันแนะ่ศีลห้าข้อนั่นแหละถ้าปฏิบัติได้แล้วเป็นชนวนให้มนุษย์เกิดมีการรักกันที่นี่นักสอนทำมานี่ไปสอนคนให้แตกแยกเป็นพักเป็นพวกขึ้นมานี่ มันจะไม่เป็นบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติศาสนาหรือเพราะฉะนั้นเราอย่ามามัวเถียงกันอยู่แต่คำบริกรรมภาวนาให้นึกถึงสมัยที่ท่านชายสิทธัตถะบำเพ็ญเพียรมาเพื่อการตรัสรู้พระองค์ไปปฏิบัติทดลองในลทัทธิการปฏิบัติต่างๆทุกรูปแบบในประเทศอินเดีย ส่งใช้เวลาพี่โสตอยู่ถึงหปีไปปฏิบัติในสำนักของท่านผู้ใดก็เก่งกว่าอาจารย์แม้พระองค์จะไปคิดประดิษฐ์การปฏิบัติขึ้นมาโดยลําพังพระองค์เองพระองค์ก็เก่งกว่าใครทั้งหมดแต่ว่าใช้เวลาปฏิบัติอยู่ถึงหปีก็ยังไม่ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้า หลือสีสอนให้ท่องมนท่านก็ท่องเลือสีสอนให้เพ่งกะสินท่านก็เพ่งบางทีท่านนึกสนุกมาท่านก็อดข้าวอดน้ำจนพระวรกายสุกผอมหมดเพราะคนในอินเดียสมัยนั้นเขาถือว่าการทรมานร่างกายให้ได้รับความลาบากเนี่ยมันทำให้กิเลสเหือดแห้งลงไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการปฏิบัติอย่างตนบนฐานเพลิงบัง อดข้าวอดน้ําบ้างกลั่นลมหายใจบ้างท่านชายเศรษถาก็ได้ทดลองดูทุกลูกแบบแต่ก็ไม่สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทีนี้เมื่อพระองค์จะได้สําเร็จนั้นพระองค์มาปฏิบัติอย่างไรเมื่อพระองค์จะได้สําเร็จนั้นพระองค์มาปฏิบัติโดยที่ ทรงเสวยข้าวมาทุบปรายาตของนางสุชาดาบำรงพระวรก า, ายให้อิ่มหนำสำราญมีกำลังพอสมควรพอพระองค์เริ่มต้นจะปฏิบัติใหม่เนี่ยทำให้พระองค์ลำลึกถึงเรื่องอดีตการใกล้ๆสมัยที่พระองค์ยังเป็นพระคุ ม, มารทรงพระเยาว์พระพี่เลี้ยงนางนมผูกพระอูให้บัรทมอยู่ใต้ตนว่า ในขณะนั้นพระองค์จเจริญอนาปานุสติคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งเป็นไปเองโดยอัตโนมัติตามพุทธวิสัยแล้วในว่าพระองค์ได้สมาธิขั้นปฐมฌมานมีวิตกวิจาร์พระองค์ก็มาพบต้นอ้อทันทีอ้อจุดที่จะทำให้เราได้สำเร็จนี่มันอยู่ที่ตรงนี้เอง การฝึกสมาธิปฏิบัติสมาธินี่ต้องอาศัยหลักธรรมชาติคือกายกับจิตอาศัยกายกับจิตเป็นเครื่องมือแห่งการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงลำทรงพิจารณาถึงธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของร่างกายก็คือลมหายใจเข้าหายใจออกที่ว่าเป็นธรรมชาตินั้นก็เพราะเหตุว่า เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจมีอยู่อย่างนั้นทั้งหลับและตื่นทีน่นี้ธรรมชาติของจิตนี่เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามเขาย่อมคิดอยู่ตลอดเวลาหาเวลาว่างว่างอยากแม้แต่นอนหลับไปแล้วก็ยังก็ยังคิดเมื่อนอนหลับแล้วยังฝันไปอยู่ก็แสดงว่าจิตยังคิดอยู่ในขณะที่นอนหลับ อันนี้คือธรรมชาติของกายและจิตในเมื่อพระองค์มาลำลึกถึงธรรมชาติสองฝ่ายนี้ธรรมชาติของจิตเป็นธาตรู้ธรรมชาติของกายก็คือการหายใจลมหายใจเป็นเครื่องหมายของความมีชีวิตยอยู่ในเมื่อพระองค์มาลำลึกถึงตอนนี้พระองค์ก็มีพระสติกำนดรู้ลมหายใจทันที โดยเพียงแต่มีกคามีสติกาหนดรู้จิตเฉยอยู่เมื่อพระองค์มากาหนดจิตรู้เฉยอยู่ในเมื่อกาย ก, กับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่อะไรจะปรากฏเด่นชัดขึ้นนอกจากลมหายใจไม่มีจิตจะต้องไปเกาะสิ่งที่มันปรากฏชัดที่สุดคือลมหายใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็มีพระสติกำหนดจิตน้อมไปรู้ลมหายใจทันทีเพียงแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เฉยๆลมหายใจสั้นพระองค์ก็ไม่เด้นึกลมหายใจยาวก็ไม่เด้นึกลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดพระองค์ก็ไม่ได้นึกมีแต่กำหนดรู้อยู่เฉยๆ เจตเขาก็รู้ความสั้นยาวหยาบละเอียดของลมหายใจเองเพราะเขาเป็นผู้มีหน้าที่รู้ทีนี้ในขณะใดที่เจตของพระองค์อยู่กับลมหายใจตลอดไปพระองค์ก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นแต่ในบางครั้งจิตทิ้งลมหายใจไปเกิดความคิดขึ้นมาพระองค์กำหนดรู้ความคิดทีนี้ถ้าเจตยังไม่มีพลังงานพอคิดขึ้นมา กำหนดรู้ความคิดเขาจะหยุดคิดทันทีแล้วกลายเป็นความว่างพอว่างแล้วพระองค์ก็กาหนดรู้ความว่างเมื่อจิตว่างลมหายใจก็ปรากฏพระองค์ให้จิตของพระองค์เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอยู่อย่างนี้ที่ในที่สุด ในมาเจตมีความมั่นคงแน่วแน่มายึดลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วก็กำหนดโลลมหายใจละเอียดลงไปละเอียดลงไปตามความสงบของจิตจิตสงบละเอียดก็มองเห็นลมหายใจละเอียดละเอียดจนกระทั่งว่า บางครั้งลมหายใจไม่มีเจตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิร่างกายตัวตัวหายไปหมดมีแต่จิตดวงเดียวเมื่อจิตสมาธิเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิร่างกายหายไปแล้วลองลองสังเกตดูวนะ ถ้าอยากเห็นใครเขานั่งสมาธิอยู่อยากจะรู้ว่าจิตของเขาสงบหรือไม่เราไปมองๆดูถ้าหากปรากฏว่า <c oughs> นานๆนนมีการหายใจทีหนึ่งนั่นแสดงว่าจิตกำลังเริ่มสงบเป็นอุปาจารสมาธิ ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีการหายใจเลยจิตสงบเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเจต ท, ที่เข้าสมาธิถึงขนาดอัปปนาสมาธินี่ผู้ภาวนาจะไม่หายใจไม่เชื่อลองดูก็ได้ ทีนีมื่เจของพระองค์ถอนออกมาจากสมาธิแล้วก่อนอื่นก็กําหนดู้ลมหายใจกําหนดู้ลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าในที่สุดจิตตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายแล้วก็เปล่งละชมีพุ่งออกมารอบกาย ทำให้จิดตดวงนี้รู้เรื่องความจริงของร่างกายมองเห็นปอดกำลังสูดลมเข้าไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นหัวใจกำลังฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกาลังแยกเก็บอาหารอันละเอียดแต่บริสุทธิ์ไว้สาหรับเลี้ยงร่างกายส่วนไหนขาดเข้าแทนที่อยู่เสมอมองเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ภายในร่างกายเนี่ย แต่หัวสูดเท้าแต่เท้าสุดหัวทำงานตามหน้าที่ของตนอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดพิ้วนั่นคือธรรมชาติของร่างกายอวัยวะทุกสิ่งส่วนเขาทำงานเองโดยอัตโนมัติซึ่งจิตดวงนี้ไม่ได้บังคับบัญชาแต่ก็อาศัยอิทธิพลของจิตคอบคุมอยู่ เพราะในขณะที่จิตไม่อยู่กับกายเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะไม่ทำงานในเมื่อจิตเข้ามาอยู่ในร่างกายย็ดอยู่ที่กายอวัยวะต่างๆก็ย่อมทำงานทำงานตามหน้าที่ของตนเองแต่จิตไม่ได้สั่งในทางหมอเขาว่าประสาททางสมองเป็นผู้สั่งการ อันนั้นถ้าใครอยากรู้เรื่องละเอียดก็ไปถามคุณหมอผู้ที่เรียนสรีรศาสตร์มาแล้วที่นี้นเมื่อเจตของท่านชายไปสงบนิ่งว่างสว่างอยู่ในตั้งกายมองเห็นวัยวะน้อยใหญ่ทุกชิงทุกส่วนครบท้วนหมดครบอาการสาสบสองอาการสาสบสองนี่เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ แล้วจึงปรากฏเป็นสูตรขึ้นมาว่าอยังโขเมกาโยกายของเรานี่แหละอุดทางปาทัตระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามาัตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันตูมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบปูโลโนานาปการะสาจุดจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเกศาโลมานค า, าทันตาตะจจเป็นต้น เกิดเคล่อนก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะจิตดวงใดจะเดินเข้าไปสู่ทางมรรคผลนิพพานจะต้องเดินตามลมหายใจวิ่งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในถ้ำกลางตัวแล้วเป็นสงบนิ่งสว่างรู้ร่างกายทั่วท่วนหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือหรอ แล้วจิดตดวงนี้จะค่อยสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปร่างกายค่อยจางหายไปหายไปหายไปจนในที่สุดจิตทิ้งร่างกายยังเหลือแต่จิดตดวงเดียวสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ในทถ้ำกลางแห่งจั ก, กรวาล น, นี้อันนี้เป็นสมาธิขั้นตน้น เป็นสมาธิขั้นโลกียังไม่ถึงโลกุตตะที่นี้เมื่อจิตดวงนี้ไปนิ่งสว่างสวัยอยู่ร่างกายตัวตนหายไปหมดถ้าจิตดวงนี้ยึดเอาความสว่างของจิตเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ก็เป็นสมาธิขั้นลูกชาน ละความสว่างของจิตก็ยังเป็นรูปทีนี้ในเมื่อจิตดวงนี้ละทิ้งความสว่างแล้วไปลอยเด่นอยู่ในถ้ากลางแห่งความว่างซึ่งเรียกว่าอากาศถ้าจะนับอันดับทานก็เรียกว่าอากาศสานัญจายตนะเมื่อจิตดวงนี้ไปลอยแขงฟางอยู่ในถ้ากลางแห่งความว่าง อากาศไม่มีที่สิ้นสุดอากาศไม่มีประมาณแล้วจิตดวงนี้ก็สํารวมรู้เข้าไปที่วิญญาณวิญญาณกำหนดรู้วิญญาณจิตกำหนดรู้จิตจิตละเอียดเข้าละเอียดเข้าเป็นวิญญาณัญจายตนะแล้วแทนที่จ ะ, ตะเตลิดเลยไปถึงอากิญจยายตนะเดวสัญญานาสัญญายตนะเปล่า พอไปถึงขั้นวิญญาณอัจายตนาแล้วเจตตรงนี้วิญญาณตรงนี้ก็กำหนดรู้ตัวเองละเอียดเล็กเข้าไปเล็กเข้าไปซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติสัญญาเจตนาใดๆหายหมดมีแต่พลังของศีลสมาธิปัญญา น, นั่นแหละจะปฏิวัติจิตดวงนี้วิญญาณดรงนี้ ให้สงบละเอียดแล็กลงไปจนกระทั่งสัญญาเวทนาหายขาดไปเจตเข้าสู่ดิโรตสมาบัติชื่เอเรียกว่าสัญญาเวทยิติโตดสัญญาเวทยิติโตดนี้เองเป็นฐานสร้างสมาธิสร้างพลังจิตเตรียมพร้อมที่จะกระโดดขึ้นไปสู่โลกุตละธรรมเพื่อกระโดดขึ้นไปอยู่เหนือโลก พอจิตดวงนี้สร้างพลังงานเพียงขอแล้วจิตดวงนี้ขยายตัวเบ่งบานออกมาสว่างสวัยแผ่และจะมีกลุมจักรวาลทั้งหมดภายใต้ความสว่างของจิตดวงนี้ไม่มีอะไรเล็ดลอดความสว่างของจิตดวงนี้ไปได้ พระจันทร์พระอาทิตย์แม้มีความสว่างสวัยก็ส่องได้เฉพาะในที่ที่ไม่มีที่กำบังแต่ดวงจิตของท่านชายสิทธัตถานีเลยมองทะลุจนกระทั่งบาดาลสิ่งใดที่อยู่ภายใต้แห่งความสว่างของจิตในจักรวาล น, นี้จิตดวงนี้สามารถมองเห็นหมดรู้หมด โลจนกระทั่งสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่อนุปรมานูนิวเคลียอะไรต่างๆโลจน ย, ย ม, มโลกโลโมนุษยสโลกโลเทวโลกได้ตรัสโลเป็นโลกับวิถูผู้รู้แจ้งซึ่งโลกและในขณะจิตเดียวนั่นแหละก็ได้โคตรรพูยานสามารถกำหนดู้โครเข้า ของสัตว์ทั้งหลายโลโคตเงาของกรร ม, มกิเลสโลโคตเงาของกิเลสตัวอวิชชาโรในขณะจิตเดียวนั้นความโ้แจ้งเห็นจริงสว่างสวัยไม่มีอะไรเล็ดลอดสายหูสายตาของจิตดวงนี้ไปได้เรียกว่าโ้เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่าง เรียกว่าตรัสโลเป็นโคอ่าเป็นโลกวิถูนอกจากจะรู้แจ้งเขียนจริงบททุกทิ้งทุกอย่างแล้วยังรู้โคดเงาของสัตว์ทั้งหลายโลโคดเงาของกรรมโลโคดเงาของกิเลสซึ่งเรียกว่าโคตรปูยานคือรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกำเนิดมาอย่างไร ชาติก่อนชาติโน้นเคยเป็นอะไรมาบ้างแม่พระองค์เองก็รู้เรื่องของพระองค์เองแล้วก็รู้เรื่องของบุคคลอื่นสัตว์อื่นด้วยแล้วก็รู้จุดูปะปาใจยานขึ้นมากำหนดรู้การจุติแหล่เกิดของสัตว์ทั้งหลายแล้วก็รู้อาสวัคคยาญาณในขณะจิตเดียวอันนี้เรียกว่าตรัสรู้เป็นโลกวิถูหรือเป็นโคตรภูยาน โลพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่จิตู้ดันรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญัดเห็นพื้นแผ่นดินก็ไม่ว่าแผ่นดินเห็นอะไรก็ไม่ว่าอะไรไมีแตู่้นิ่งเฉยอยู่ไม่มีสมมติปัญญัดเพราะความู้ขั้นนี้เป็นขั้นโลขุตระ ความรู้ขั้นโลกุตละจิตสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีสมมติบัญญัตเพราะเป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมไม่มีสมมติบัญญัตมีแต่สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่และทุกสิ่งทุกอย่างมีสภาพเสมอกันหมดไม่มีอะไรต่ำไม่มีอะไรสูงไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวแล้วเจตดวงนี้รู้แล้ว ก็สามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้พร้อมหมดเหมือนเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ในสมัยปัจจุบันที่เขาบันทึกข้อมูลต่างๆอย่างนั้นแหละทีนี้มาภายหลังหลังจากนั้นจิตถอนจากสมาธิมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดกายกับจิตมามีความสัมพันธ์กัน พกลายกับกายกับจิตมามีความสัมพันธ์กันพับเจ็ดดวงนี้จึงได้พิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นในเบื้องต้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งพิจารณาเรื่องปุเพนิวาสานุสติยานจบลงในปฐมพายาม <c oughs> พิจรณาเรื่องจตูปปาตยานกรรมมัสกตาตยานจบลงในมัชชิมยามพิจารณาเรื่องกิเลสคืออาสวะอันเป็นเครื่องดองสันดานได้แก่ตัวอวิชชาซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทํากรรมทำกรรมไปตามที่ตนรู้ไม่จิตมีถูกบ้างผิดบบ้างบาปบ้า ง, บ, า ง, บ, างบุญบ้าง ในเมื่อทำลงไปแล้วก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่อย่างนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นจะได้เมื่อพิจารณาทบทวนจุตูปปาตยานจบลงในมัชิมายามแล้วก็พิจารณาเรื่องกิเลสอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยจบจบลงในปัจฉิมมยาม ในเมื่อพิจารณาจบลงในยามทั้งสามต่างวาระกันต่างเรื่องกันเจตของพระองค์ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นจริงอย่างที่รู้ที่เห็นนั้นเป็นการตรัสรู้ที่ไม่ผิดเป็นการถูกต้อง เป็นสัมมาสัมพุทธโธผู้ตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแต่ยังไม่มีอรหังเป็นสัมมาสัมพุทธโธเฉยๆเพราะเพียงแค่ตรัสสรูท้ทีนี้ในเมื่อมาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้ซ้ำเติมอีกทีหนึ่งในยามทั้งสามจบลงในยามสุดท้ายคือปัจจิมยาม เจดจอมรับสภาพความเป็นจริงอรหัตตมักขยานบางเกิดขึ้นในขณะจิตนั้นแล้วสามารถตัดกิเลสอาสวะให้ขาดสิ้นไปอย่างเด็ดขาดกิเลสน้อยหนึ่งเท่าธุลีไม่ได้มีเหลืออยู่ในพระไทยของพระองค์แล้วพระองค์จึงถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงแล้วการตรัสระลของพระองค์จึงสมบูรณ์แบบครบถ้วน เป็นอรหังสัมมาสัมพุทธทพระกวาพระโพมีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสมบูรณ์แบบในปัจฉิมยามเืิดในตอนแรกในทีต่ตัสรู้ตอนแรกมันยังไม่หมดกิเลสแต่มาพิ จ, จารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนี้ พอจิตรู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเกิดมีปัญญาแก่กล้าตัดกระแสกิเลส ข, ขาดสะบั้นลงไปเพราะฉะนั้นในช่วงช่วงที่พระองค์ตรัสโลเป็นโลกวิฑูก็ดีตรัสโลเป็นโคตรภูยานก็ดีเจโตในสมาธิขั้นสมถกรรมฐาน พระสมถากรรมฐานทำให้เกิดมีฌานเกิดมีฌานในเมื่อมีฌานแล้วก็มีอภิญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตรัสรู้ในขณะที่จิตเป็นสมาธิขั้นสมถะดังนั้นท่านผู้ใดอาจจะกล่าวว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดความรู้ แล้วไปกลัวจิตจะเกิดจะเป็นสมถะจะไปติดอยู่ที่สมถะบางทีท่านเทศไว้ว่าถ้าสมาธิไม่มีก็ไม่มีฌานสมถะไม่มีก็ไม่มีฌานฌานไม่มีก็ไม่มียานยานไม่มีก็ไม่มีปัญญาปัญญาไม่มีก็ไม่มีวิชา ไม่มีวิชาความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่มีวิมุตต์ความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นสมาธิจะเป็นขั้นใดแนวใดก็าตามถึงแม้ว่ายังจะไม่เกิดความรู้แต่เป็นฐานสร้างพลังจิตอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวสิ่งที่เรายังไม่มีไม่เป็นโครบาอาจารย์ท่านสอนให้ภาวนาโพโทโพโทพโพโตก็เพื่อจะให้ โรคเศษโลกหาทั้งหลายนี่สร้างจิตของตนเองให้เป็นจิตพุทธะให้เป็นจิตผู้รล้ให้เป็นจิตผู้ตื่นให้เป็นจิตผู้เบิกบานค ณ, ณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธะเกิดขึ้นในจิตอย่างเต็มเปี่ยมไม่มีช่องว่างที่จะให้สิ่งแทรกแซงเข้ามาเจอือปนเพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อัดแน่นอยู่ในจิตแล้ว เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ของเราจึงสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธให้ทำจิตให้ถึงพระบรมมัรูอย่างแน่วแน่คือสมาธิขั้นสมาถะจิตสงบนิ่งรู้ตื่นเบิกบานเป็นอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะเป็นอัตตสรารนามีตนเป็นที่ระลึก เป็นอาตาหิอาตาโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนเมื่อจิตสร้างพลังในตอนนี้ได้พร้อมบริบูรณ์แล้วจิตจะปฏิวัติขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาเองเราสังเกต้ว่าได้เมื่อจิตสงบแล้วมันไม่มีความรู้แล้วมันขึ้นวิปัสนาที่ตอนไหนเอากันอย่างนี้ก็แล้วกัน ในเมื่อท่านทำเจตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นละเอียดแล้วในขณะนั้นความรู้สึกที่จะยกจิตไปไหนนี่มันไม่มีแล้วละ่ะอย่าไปหาว่าแต่เราต้องรอเวลาที่จิตถอนจากสมาธิขั้นนี้มาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายปลากฏเท่านั้นอย่ารีบดีใจกระโดดโลดเต้นออกจากที่นั่งสมาธิทันที พระอาจารย์สิงห์ท่านสอนให้พิจารณาทบทวนความเป็นไปของจิตในระหว่างที่ทำสมาธิภาวนาก่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดมีความคิดหรือบางทีพอจิตถอนออกมาแล้วรู้สึกว่ามีกายปั๊บเท่านั้นความคิดบังเกิดขึ้นทันทีในมาจิตมีความคิดบังเกิดขึ้นเราปล่อยให้คิดไปจะให้มีสติตามรู้ไปรู้ไปรู้ไป นี่เป็นลักษณะของจิตเดินก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสนาแต่ในคำพีท่านกล่าวว่าการเจริญวิปัสนานี้ต้องกำหนดพิจารณาขัน 12. ท่าอาจารณะสิบสองทาสิบปดพิจารณาปัจจัยาการอาวิชชาปัจยาสังขาราอันนั้นเป็นภาคปฏิบัติแม้ว่าเราจะตั้งใจกำหนดจิตพิจารณารูปังอนิจังเวทานานติจาะ โรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเรานึกเอานึกเอานึกเอาด้วยความคิดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันทิ้งคําว่าอนิจจงทุกขังนิจตาไปแล้วจ้างอีกมันก็ไม่มีคําว่ารูปังอนิจจงเวทนาอนิจจารูปังทุกขังมันก็ไม่มีพอสงบปั๊บลงไปเป็นสมาธิ มันจะบันดาลให้เกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อเจ็ตของเราเกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองเนี่ยเพิ่งรู้เถิดว่าความคิดเป็นวิตกสติรู้พร้อมเป็นวิจารถ้าเราไม่เข้าใจผิดปล่อยให้มันคิดไปตามอำเภอใจของมันแล้วเราจะรู้สึกว่ามีปีติมีความสุขมีกายเบาจิตเบา แล้วเจตก็ได้สมาธิขั้นต้นซึ่งเรียกว่าปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกักขตานี่ลองลองลองลอ ง, ลองดูอย่าไปยึดมั่นแต่เพียงแค่ว่าภาวนาผู้โทผู้โทแล้วพอจิตทิ้งผู้โทแล้วดึงมาหาผู้โทอีกมันจะเป็นการเริ่มต้นดูตลอดเวลาต้องพิจารณาดูให้ดีว่าพูโทที่เราคิดอยู่ก็คือความคิด ความคิดที่จิตคิดขึ้นมาเองก็คือความคิดเพราะฉะนั้นในช่วงใดที่จิตคิดไม่เป็นเราเอาผู้โทรผูโทรมากระตุ้นให้มันเกิดพลังแห่งความคิดทีนี้เมื่อมันสงบลงไปนิดหน่อยมันทิ้งพู้โทรมันไปหาความคิดใหม่ของมันมาก็ปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติสัมปชัญญะตามรู้ไปเรื่อยๆต่อไปแล้วอะไรมันเกิดขึ้น ให้กำหนดรู้สิ่งนั้นเพียงแต่เรากำหนดรู้จิตของเราอยู่เฉยๆอะไรมันเกิดขึ้นกับจิตเราจะรู้เองโดยอัตโนมัติในเมื่อรู้แล้วก็ให้มีสติกำกับอย่าไปเผลอสติสติตัวเดียวเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญหลวงปู่แหวนท่านเคยให้คติเตือนใจว่าเจ้าคุณอย่าไปดูอื่นให้จี้ลงที่จิตของตนเอง บาปมันเกิดที่จิตบุญมันเกิดที่จิตดีมันเกิดที่จิตชั่วมันเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นให้ดูจิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วเราสามารถที่จะรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> มีผู้กล่าวว่าถ้าเจตเกิดความคิดอะไรขึ้นมาเกิดความรู้อะไรขึ้นมาให้พิจารณาสิ่งนั้นแล้วก็ไปเข้าใจว่า เราตั้งใจพิจารณาตั้งใจคิดแต่ความจริงนะ่ะไม่ใช่อย่างนั้นคําว่าพิจารณานี้ก็หมายถึงว่ากําหนดรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นดับไปเองโดยอัตโนมัติทีนี้ถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราคล้องใจสงสัยเราไปตั้งใจพิจารณาเท่านั้นเจ็มันจะถอนจากสมาธิเนี่ย แต่ถ้าอะไรมันเกิดขึ้นเรามีสติกำหนดรู้ดูให้มันรู้อยู่ในทีจิตมันจะไม่ถอนจากสมาธิแล้วมันจะย้อนกลับสงบละเอียดเข้าไปสู่สมาธิตามขั้นตอนอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาท่านนั่งสมาธิจิตสงบตีแล้วเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกายอย่ารีบออกจากที่นั่งสมาธิ ให้กำหนดรู้จิตของตนเองอยู่สักพักหนึ่งก่อนถ้าหากว่าจิตไม่เกิดความรู้ความคิดขึ้นมาเองก็ให้พิจารณาทบทวนที่เราเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่บเบื้องตน้นเราได้ไว่ายพระสูตรบนเราได้อธิษฐานจิตเราได้แผ่เมตตาเราได้กำหนดอารมณ์จิตจิตของเราสงบหรือไม่สงบรู้หรือไม่รู้สว่างหรือไม่สว่าง กำหนดพิจารณาทบทวนดูสักสองสามทีแล้วค่อยออกจากที่นั่งสมาธิอันนี้เป็นแนวทางของท่านอาจารย์สิงห์ที่ท่านเขียนไว้ในพระไตสรสาระคมยอ่อดังนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสรู้ก็เพราะอาศัยการเจริญสมาธิอาศัยหลักธรรมชาติ คือท่านมีสติกำหนดดูลมหายใจอันเป็นธรรมชาติของร่างกายมีสติกำหนดดูความคิดอันเป็นธรรมชาติของจิตแล้วในที่สุดจิตก็ตามลมหายใจเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเป็นเหตุให้รู้ความจริงของร่างกายจิตดำเนินเข้าไปสู่ฌานสมาบัติตามขั้นตอนแล้ววกเข้าถูนิโรธในนิโรธสมาบัติ เรียกว่าเข้าสัญญาเวทยิตะานิโรธไปสร้างพลังจิตเพื่อการตรัสรู้อยู่ที่ตรงนี้แล้วจิตเบ่งบานสว่างสไสยออกมาได้ตรัสรู้เป็นโลกวิธูเป็นโคตรปูยาณได้พิจารณาทดทวนตลอดจามทั้งสมจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็หมดกิเลสได้เป็นพระอรหังสัมมาสัมพุทโธ พระคาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองการตรัสรู้สมบูรณ์แบบในปัจจิมยามด้วยปการะทนีได้ปรรยายธรรมมาพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านพุทธศาสนิกชนก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลง เอวังก็มีด้วยประกาศระจนีอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิตจตุสาเพปุเรนตุสังกปายันโทปนรารโสยถ า, ามนิโชติระโโยธ า, าสพีิติโยวิวัชชนตุสัพพโลโคโมินัจตุมาเตพวัตวันตาโยจุขีติกายุโภวะอภิวา ธนสีเลสานิจังุทธาปจาฮิโนจตารโรธรรมวะวันติอายุวันโลสุขังพระลัม